2> Book 89. 2 89 89สเกประโยคคาสั่งหนึ่ง imperative เคุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลยยัยอล m ุ e t nie ่วนไหลเว s n ส e นคุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึกยายสลบซ่วนลังมุด n ี้ส่วน n ลังสลบนี่คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกยายกุมส่วลอดมุดนีสลอดกุมนี คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิยายล็กสุฮ า, าร์ตมุตหนี ส, าหาสุเอฮาร์ตล็อกนีคุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิยายพรอ ด, ด, ดสุเอักมุตหนีสุเักพรอดนีคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ ย i e ด o b a ต e d ย n k nie k ้สบายดึ u น i ่คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลยย m o ร t วก e so b a วม rook n i บ k ยร่วกนี่คุณท a งานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไปยา w ว r k te veel m ุ e t nie ่วนบ a i e w ว r k nie. ีคุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลยยัยไร์ต์เ o ฟนัชมุดนี้ซูฟนัชไร์นีลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์สตอโนบมินเย e ร์มัลเลเชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์ซิตมินเยอร์ม นั ka, sit, er ่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์ไปลซ์ท์มิเนอร์มิลเลอรใจเย็นๆนะคะมีเวลาไม่ต้องรีบเ e ียเ e ียไตรอสักครู่นะคะวอช e ออวัลลึกระวังนะคะ วสฟื้นึกถึกกรุณามาให้ตรงเวลานะคะวสเปิส์อย่าโง่มุดนี้ต้มวิส่